วันนี้เป็นวันไหวครูเป็นวันที่ลูกศิษย์ลูกหาของครูบาอาจารย์ต่างๆจะได้แสดงความกตัญญูกะตะเวที่ต่อพระคุณของครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ผู้ประเสริฐประสาทวิชาความรู้ต่างๆให้กับลูกศิษย์ลูกหาเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีพเป็นแสงสว่างนำทางของชีวิตให้ได้ไปสู่ที่สุขที่จเจริญ ที่ห่างไกลจากความทุกข์ยากลำบากทั้งหลายผู้ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาจึงมีความสำนึกในบุญคุณอันยิ่งใหญ่ของครูบาอาจารย์ทั้งหลายจึงได้แสดงความสำนึก ในบุญคุณของครูบาอาจารย์ด้วยการไหว้ครูการไหว้ครูก็คือการบูชาพราะคุณของครูบาอาจารย์ทั้งหลายนั่นเองพวกเราทุกคนจะปฏิเสธไม่ได้ว่าเราไม่มีครูบาอาจารย์เพราะพวกเราไม่เป็นคนที่ฉลาดที่จะสอนตัวเอง ในทุกสิ่งทุกอย่างทุกเรื่องได้พวกเราทุกคนต้องอาศัยครูบาอาจารย์คอยสั่งคอยสอนคอยบอกให้เรากระทำในสิ่งที่ถูกที่ควรที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อชีวิตจิตใจของพวกเราเรามีครูบาอาจารย์ หลายองค์ด้วยกันหลายท่านด้วยกันครูบาจารย์ของพวกเราคนแรกหรือคู่แรกก็คือบิดามารดาของพวกเรานี่เองบิดามารดาถ้าเรียกว่าเป็นบุรพาจารย์เป็นครูคนแรกของลูกๆพอเป็นคนคอยสอนลูกๆ ให้ทำอะไรต่างๆนั่นเองสอนให้พูดภาษาสอนให้เดิมสอนให้รับประทานสอนให้ขับถ่ายสอนให้อาบน้ำแต่งตัวสอนให้ยืนสอนให้เดิน สอนให้ทำอะไรต่างๆเพื่อที่จะได้กำจัดความยากลำบากเช่นความหิวความเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรต่างๆนี้เราได้รับการเรียนรู้จากบิดามารดาในเบื้องตน้นพอเราโตขึ้น พอที่จะไปเรียนรู้วิชาอย่างอื่นได้พ่อแม่ก็ส่งให้เราไปเรียนหนังสือตามโรงเรียนต่างๆตามโรงเรียนเราก็มีครูอาจารย์คอยสอนวิชาความรู้ต่างๆให้แก่พวกเราเริ่มต้นตั้งแต่การหัดอ่านออกเขียนได้ หัดกอไก่ขอไข่เรียนกอไก่ขอไข่ไปเรียนเลขหนึ่งสองสามเพื่อที่จะได้รู้จักบวกเลขบวกลบคูณหารเรียนกอไก่ขอไข่เพื่อที่จะได้อ่านหนังสืออ่านวิชาความรู้ต่างๆได้กูบาอาจารย์เหล่านี้ ท่านเป็นผู้มีพระคุณกับพวกเราตั้งแต่ระดับอนุบาลขึ้นมาจนถึงระดับปริญญาขั้นต่างๆครูบาอาจารย์ทั้งหมดนี้มีแต่ให้นไม่ได้เรียกร้องอะไรจากพวกเราเป็นค่าตอบแทนให้ความรู้เพื่อที่เราจะได้ใช้ความรู้นี้ ไปดำรงชีพกันไปรักษาชีวิตให้อยู่อย่างโล่มเย็นเป็นสุขให้ปราศจากความทุกข์ยากลำบากต่างๆนอกจากครูบาอาจารย์ที่เราเรียนรู้ในทางโลกแล้วเราก็ยังไปหาครูบาอาจารย์อีกชุดหนึ่ง คูบาอาจารย์ทางธรรมทางด้านจิตใจผู้ที่จะประสิทธิ์ประสาดความรู้ทางธรรมให้กับพวกเราเพื่อที่เราจะได้ความรู้ทางธรรมมาดูแลรักษาจิตใจของพวกเราซึ่งเป็นอีกซีกหนึ่งของชีวิตของพวกเราชีวิตของพวกเรามีสองซีกด้วยกัน มีด้านร่างกายและด้านจิตใจเป็นเป็นคนละสิ่งกันเป็นคนละเรื่องกันร่างกายของเราเป็นอย่างหนึ่งจิตใจของพวกเราเป็นอีกอย่างหนึ่งการเลี้ยงดูร่างกายกับการเลี้ยงดูจิตใจก็เป็นคนละเรื่องกันคนละอย่างกันจึงต้องเรียนรู้ทั้งสองเรื่อง เรียนรู้ทางด้านร่างกายเลี้ยงดูร่างกายจากพ่อแม่จากครูบาอาจารย์ตามสถานที่ศึกษาต่างๆ ต, ตามสถาบันการศึกษาต่างๆแล้วก็มาเรียนรู้เรื่องการเลี้ยงดูจิตใจให้มีความสุขมีความเจริญจากพระสงฆ์องค์เจ้าะ จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้ที่มีวิชาความรู้ที่จะมอบให้กับพวกเราเพื่อเราจะได้นำเอาไปใช้ในการรักษาจิตใจของพวกเราให้อยู่เย็นเป็นสุขเหมือนกับที่เราใช้วิชาความรู้ทางโลกมาดูแล ร่างกายของเราให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขอ่นี่คือบรรดาครูบาอาจารย์ต่างๆที่ลูกศิษย์ลูกหาอย่างพวกเราควรที่จะคำหนึ่งดำนึกถึงพระคุณของท่านเหล่านี้เพื่อที่เราจะได้ตอบสนตอบแทนบุญคุณของท่าน ที่ท่านได้อุตสาห์ให้วิชาความรู้ที่มีคุณค่ายิ่งกว่าเงินทองหรือสิ่งของมีค่าต่างๆในโลกนี้เพราะเงินทองนี่มันใช้แล้วมันหมดได้นะแต่วิชาความรู้ที่เราเอาไปใช้ในการทามาหากินในการเลี้ยงดูร่างกายของเรานี้ ใช้ไปเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดใช้ไปจนวันตายก็ยังไม่มีวันหมดเนี่ยมีวิชาความรู้นี้จึงดีกว่ามีข้าวของเงินทองถ้ามีข้าวของเงินทองเดี๋ยวใช้ไปก็หมดหมดแล้วถ้าไม่มีวิชาความรู้ก็ไม่รู้จักวิธีหาข้าวของเงินทองมาใช้ต่อนั่นเอง หมดแล้วก็หมดเลยหมดแล้วก็ต้องไปเป็นขอทานเท่านั้นแต่ถ้ามีวิชาความรู้ในการหาเงินหาทองมาเลี้ยงปากเลี้ยงทองได้ใช้วิชาความรู้ไปหาเงินทองมามากน้อยเพียงไรวิชาความรู้ก็ไม่มีวันหมดกลับจะมีเพิ่มมากขึ้นไปเสียอีกเพราะยิ่งใช้ยิ่งฉลาดยิ่งรู้มากขึ้น เป็นเหมือนกับเห็นเหมือนเหมือนกับเห็นรับมีดเนี่ยยิ่งรับมีดมีดกับยิ่งคมเข้าไปใหญ่การใช้วิชาความรู้ในการหาคุณประโยชน์ให้กับชีวิตนี้แทนที่จะหมดไปกับมีกับได้มาเพิ่มเติมขึ้นอีกได้วิชาความรู้มากขึ้นอีกรู้วิธีหาเงินหาทอง ด้วยวิธีใหม่ๆแปลกๆเพิ่มขึ้นมาอยู่เรื่อยๆ <c oughs> นี่แหละคือคุณสิ่งที่มีคุณประโยชน์กับชีวิตของพวกเรานั้นวันนี้ฝาดขึ้นนะวิชาความรู้นี่แหละเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากยิ่งกว่าทรัพสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆแล้วก็ถ้าเป็นวิชาความรู้ทางธรรมนี่ ยิ่งมีคุณมีประโยชน์มากยิ่งกว่าวิชาความรู้ทางโลกเพราะวิชาความรู้ทางโลกก็เอาไว้ใช้เลี้ยงดูร่างกายไปจนถึงวันตายแต่พอร่างกายตายไปแล้ววิชาความรู้ที่เรียนมาเหล่านั้นก็หมดไปตามความตายของร่างกาย แต่วิชาความรู้ทางธรรมที่เราได้เรียนรู้นี้มันจะติดไปกับใจของเราใจของเรานี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายพอร่างกายตายไปแล้วใจของพวกเราก็ยังอยู่ต่อไปและวิชาความรู้ทางธรรมที่เรามีไว้ใช้สำหรับเลี้ยงดูรักษาจิตใจของพวกเรา ก็จะไปทำงานต่อไปได้ไปกับจิตใจไปอุปถัมภ์อุปถากไปเลี้ยงดูไปรักษาใจให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขต่อไปได้นี่คือความวิเศษของความรู้ทางธรรมที่เหนือกว่าความรู้ทางโลก เพราะเป็นความรู้ที่ไม่ได้สิ้นสุดลงเมื่อร่างกายตายไปเป็นความรู้ที่นำเอาติดไปกับใจเอาไปทำประโยชน์ให้กับจิตใจได้ต่อไปแต่นี่ก็ไม่ได้ประมาทความรู้ทางโลกความรู้ทางโลกก็มีความจำเป็นที่ต้องไปเรียนรู้กันเพื่อที่จะได้ มาเลี้ยงดูร่างกายให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขถ้าจะเอาความรู้เพื่อมาเลี้ยงดูร่างกายให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขความจริงก็ไม่ต้องรู้อะไรมากก็ได้รู้วิชาความรู้ที่เอามาเป็นอาชีพเพื่อเลี้ยงชีพได้ก็พอเพียงแล้วเรีนรู้จาก ขายกว๋วยเตี๋ยนี่ก็พอที่จะเลี้ยงชีพได้เนี่ย ว, วิชาตัดเย็บเสื้อผ้าวิชาอะไรก็ได้ที่เป็นอาชีพสุดจริตที่เอาไปใช้กับอาชีพที่สุดจริตไม่ผิดศีลผิดธรรมไม่ผิดกฎหมายก็สามารถทำหน้าที่พื้นฐานให้กับชีวิตของพวกเราได้ คือให้เรามีรายได้ไว้เลี้ยงดูร่างกายของพวกเราให้มีปัจจัยสี่พร้อมเพียงเช mm hmm. ่นมีอาหารรับประทานมีเครื่องนุ่งห่มไว้สวมใส่มีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคภัยไข้เจ็บถึงแม้จะไม่เลิศ ด, ดูถึงแม้จะไม่หวรหวา ถึงแม้จะไม่มีราคาแพงก็ตามแต่มันก็ทำหน้าที่เลี้ยงดูร่างกายได้เหมือนกับปัจจัยสี่ที่มีราคาแพงๆที่หรูหราที่วิจิตรพิสดารมันก็ทำหน้าที่เท่ากันเหมือนกันดังนั้นความแตกต่างของวิชาความรู้ทางโลกนี้ก็แตกต่างตรงที่ถ้าเรียนรู้มากทางโลก ก็จะมีกำลังซื้อมากขึ้นมีความสามารถที่จะหาเงินทองได้มากขึ้นเพื่อที่จะซื้อสิ่งต่างๆมาเลี้ยงดูร่างกายให้พิเศษขึ้นให้ให้หรูหราขึ้นให้วิจิตพิสดารขึ้นแต่ผลที่ให้ต่อร่างกายก็เหมือนกัน จะมีบ้านราคาแสนราคาล้านหรือราคาสิบล้านร้อยล้านมันก็เป็นบ้านเหมือนกันนะมันเป็นที่หลบแดดหลบฝนให้กับร่างกายเหมือนกันหรือแม้จะเป็นเพียงแต่บ้านเช่าไม่ได้เป็นบ้านของตนเองมันก็ทำหน้าที่เหมือนกันดังนั้นการเลี้ยงดูร่างกายนี้ ถ้าจะมองไปที่เหตุผลแล้วคือเ ป, เปคือประโยชน์ที่จะเกิดกับร่างกายแล้วการมีของพื้นฐานก็พอเพียงต่อการเลี้ยงดูร่างกายได้ไม่จำเป็นที่จะต้องไปมีบ้านช่องราคาเป็นสิบล้านร้อยล้านไม่ต้องมีเสื้อผ้าระดับหมื่นระดับแสนไว้สวมใส่ ไม่ต้องมีอาหารระดับหมื่นระดับแสนไว้รับประทานไม่ต้องมียารักษาโรคระดับหมื่นระดับแสนมารักษาเพราะว่าปัจจัยสี่ราคาพื้นฐานมันก็ทำหน้าที่ได้เหมือนกันนดูร่างกายให้อยู่เป็นปกติสุขได้เหมือนกันดังนั้นความรู้ทางโลก ถ้ามาเปรียบเทียบกับความรู้ทางธรรมแล้วนี้ความรู้ทางธรรมนี้จะเป็นความรู้ที่สำคัญกว่าและเป็นความรู้ที่พวกเราควรที่จะขวนขวายศึกษาให้มากกว่าความรู้ทางโลกนะความรู้ทางโลกต่อให้จบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลกมันก็ เอามาเลี้ยงดูร่างกายเหมือนกับคนที่ไปเรียนวิชาทําก๋วยเตี๋ยวทําอาหารแล้วก็มาทําอาชีพขายกว๋วยเตี๋ยวขายอาหารก็ได้ปัจจัยสี่มาเลี้ยงดูร่างกายเหมือนกันอ่นี่คือสิ่งที่เราคิดกันหน่อยเราจะเห็นว่าบางที ความไม่ฉลาดของพวกเราความไม่คิดอย่างรอบคอบทำให้เราหลงไปกับการหาปัจจัยสี่แบบรู้ราาแบบแพงๆกันเพราะเราคิดว่าจะได้ความสุขมากกว่าปัจจัยสี่ที่เป็นประดับพื้นฐานแต่ความจริงแล้วประโยชน์ที่ให้กับร่างกายนี้ได้เท่ากัน กินอาหารก็อิ่มเหมือนกันไม่ว่าจะอาหารถูกหรืออาหารแพงใส่เสื้อผ้าราคาถูกหรือราคาแพงก็ใช้ปกปิดร่างกายได้เหมือนกันอยู่บ้านอาศัยเป็นบ้านเช่าหรือเป็นบ้านซื้อมาเป็นราคาสิบล้านร้อยล้านมันก็เป็นที่หลบดดดหลบฝนเหมือนกัน รักษาโรคตามโรงพยาบาลรัฐบาลสามสิบบาทรักษาทุกโรคหรือรักษาตามโรงพยาบาลเอกชนสามหมื่นบาททุกวันวันละ3ามหมื่นบาทมันก็รักษาโรคได้เหมือนกันถ้าหายก็หายได้เหมือนกันถ้าตายก็ตายเหมือนกันจึงถ้าเราต้องคิดด้วยเหตุด้วยผลแล้วเราจะได้ เปลี่ยนวิธีการหาปัจจัยสี่ของพวกเราคือแทนที่จะเสียเวลาส่วนใหญ่ของชีวิตเราให้กับการหาปัจจัยสี่แบบวิจิตพิสดารแบบแพงแบบที่มีราคาแพงๆเราควรมาหาแบบพื้นฐานดีกว่าเพราะมันไม่ต้องใช้เวลามากไม่ต้องอเสียเวลามาก เพื่อที่เราจะได้มีเวลามาหาวิชาความรู้ทางธรรมจะดีกว่าเพราะวิชาความรู้ทางธรรมนี้เราเอามาดูแลเลี้ยงดูจิตใจของเราให้จิตใจของเรามีความสุขและความสุขที่เราได้จากการเลี้ยงดูจิตใจนี้เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าที่มากกว่าความสุขที่เราได้จากการเลี้ยงดู ร่างกายของเราด้วยด้วยด้วยปัจจัยสี่ที่มีราคาแพงๆส่อาเวลาที่ไปหาปัจจัยสีนี้มาหาความรู้ทางธรรมดีกว่าใครเอาเด็กมาปล่อยตรงนี้ช่วยเอาไปเอาไปที่อื่นหน่อย อนั้นถ้าเราได้มาศึกษาทางธรรมแล้วเราจะได้เรียนรู้ว่าการเลี้ยงดูร่างกายนี้เราไม่จําเป็นที่จะทุ่ ม, ทมเทชีวิตจิตใจและเวลาให้กับร่างกายมากจนเกินไปเพราะประโยชน์ได้มันเท่ากันกินอาหารมื้อละร้อยบาทกับมื้อละพันบาทมันก็อิ่มเหมือนกัน ใส่เสื้อผ้าชุดละพันบาทหรือชุดละหมื่นบาทมันก็ทำหน้าที่เหมือนกันซื้อเรามาเอาเวลามาศึกษาความรู้ทางธรรมกันดีกว่าเพื่อที่จะได้เอาความรู้ทางธรรมนี้มาสร้างความสุขให้กับใจของเราที่จะทำให้เรามีความสุข มากกว่าคนที่มีเงินทองร้อยล้านพันล้านที่ใช้เงินทองซื้อปัจจัยสี่ราคาเป็นล้านล้านมาเลี้ยงดูร่างกายเพราะความสุขที่ได้จากเงินทองเพื่อมาเลี้ยงดูร่างกายนี้ก็เท่ากับเงินความสุขที่ได้จากการเลี้ยงดูร่างกายด้วยปัจจัยสี่ที่มีราคาพื้นฐานไม่ต่างกัน ส่วนเวลามาศึกษาหาวิชาความรู้ทางธรรมดีกว่าเพราะจะเพิ่มพูนความสุขทางใจให้มีมากขึ้นและจะมีมากยิ่งกว่าความสุขที่ได้จากการมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเป็นหมื่นล้านแสนล้านและก็จะมีความทุกข์น้อยกว่าผู้ที่มีเงินทองร้อยล้านแสนล้านพันล้าน หมื่นล้านเพราะยิ่งมีมากความทุกข์กับิมีเพิ่มมากขึ้นไปความทุกข์ที่เกิดจากการห่วงใยความทุกข์ที่เกิดจากความหึงหวงความทุกข์ที่เกิดจากความเสียดายเวลาที่ต้องสูญเสียเงินทองที่หามาได้ไป น, นการมีเงินทองม า, มากๆนี้ไม่ใช่ว่าจะให้ความสุขมากๆทางจิตใจแล้วก็ไม่ได้ไปลดความทุกข์ทางใจกับเพิ่มความทุกข์ทางใจให้มีเพิ่มมากขึ้นไปทางศาสนาจึงสอนให้เราหาปัจจัยสีบ พ, พอเลี้ยงดูร่างกายก็พอพอให้ร่างกายอยู่ได้ไม่ทุกข์ยากเดือดร้อนลำบาก พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างในเรื่องการใช้ปัจจัยสี่เลี้ยงดูร่างกายและทรงสอนให้พระภิกษุที่มาบวชในพระพุทธศาสนาเลี้ยงดูร่างกายแบบที่พระพุทธเจ้าทรงเลี้ยงดูเช่ในให้อาหารให้หาอาหารจากการบิณฑบาตยินดีตามมีตามเกิดไม่ว่าจะได้มากได้น้อย ได้ของที่ชอบหรือไม่ชอบนะก็ไม่ถือเป็นเรื่องสำคัญสำคัญก็คือขอให้มีอาหารมาจุนเจือเลี้ยงดูร่างกายไม่ให้อดอยากขาดแคลนไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยก็ถือว่าทำหน้าที่ของอาหารแล้วนะที่อยู่อาศัยก็สอนให้พระเนรอยู่ตาม อขอนไม้ลุกขมู ล, ละเซนาสนังเพราะสำหรับผู้ที่จะมาบวชผู้ที่มาขวนขวายหาความรู้วิชาต่างๆนี้ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอยู่ในที่อยู่อาศัยแบบรูหราแบบข้ารหัสอยู่กันนักบวชนี้ควรไปสวงหาที่สงบที่ห่างไกลจากบ้านจากเมือง ให้อยู่ตามป่าตามเขาที่ปราศจากสิ่งยั่วยวนควรใจต่างๆที่จะมาขัดขวางในการรักษาจิตใจไม่ให้ทุกข์ไม่ให้วุ่นวายใจที่จะมาขัดขวางในการสร้างความสุขให้กับจิตใจนักบวชต้องไปอยู่ตามที่ห่างไกลที่วิเวก ที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงต่างๆแล้วก็อยู่กันแบบง่ายๆเรียบง่ายไม่ต้องวุ่นวายมีอะไรบังแดดบังฝนได้ก็พอแล้วอยู่ตามป่าก็สามารถหากิ่งไม้หาใบไม้มาทำเพิงไว้ป้องกันแดดป้องกันฝนได้หรือสมัยนี้พระทุดงท่านก็มีร่มมีกรดนี ที่เป็นเหมือนกับหลังคาบ้านของท่านเวลาการกรดออกก็เป็นได้หลังคาแล้วแล้วก็เอามุ้งมาครอบก็ได้ฝาแล้วได้บ้านบ้านของพระทโดงหนี่ยท่านมีแค่กรดกับมุงนี่เองครอบแล้วก็อยู่ได้แล้วนอนในกรดได้นั่งสมาธิในกรดได้ปลอดภยัยจากภัยต่างๆ มดมแมลงอะไรต่างๆก็ไม่เข้ามาฝนตกก็มีหลังคากันฝนแดดออกก็มีหลังคากันแดดได้เนี่ยอันนี้ก็เหมือนกับมีบ้านราคาร้อยล้านพันล้านเพราะมันก็ทำหน้าที่ได้เหมือนกันและกลับจะดีกว่าสิพวาไม่ต้องมาคอยดูแลรักษามีบ้านใหญ่ๆโตๆไม่ใช่ว่าจะสบาย ต้องมาคอยดูแลความสะอาดต้องคอยเช็ดคอยถูคอยกวาดแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเดี๋ยวก็ต้องชำรุดเดี๋ยวก็ต้องเสียเดี๋ยวก็ต้องมาคอยแก้คอยซ่อมกันอยู่อยู่เรื่อยๆแทนที่จะอยู่แบบสบายก็ต้องมาวุ่นวายกับการการซ่อมบารุงการดูแลรักษาต่างๆ ถ้าอยู่แบบพระทุดงนี้ง่ายไม่ต้องกวาดไม่ต้องถูมาก น, นี่เป็นตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนชาวพุทธเราด้วยการประพฤติด้วยพระองค์เองพระองค์สิ่งใดที่พระพุทธเจ้าสอนนี้พระองค์ทรงปฏิบัติมาแล้วก็ทำมาแล้วไม่ใช่สอนแบบแม่ปูสอนลูกปูแม่ปูนี่เห็นลูกปูเดินเถไปเถมาไม่สวยงาม กบอกลูกหัดเดินตรงๆสิเดินตรงๆสวยงามแต่เวลาแม่ เ, เองเดินแม่ก็เฉไปเฉยมาพอลูกเห็นแม่พูดอย่างทำอย่างลูกก็ทำตามแม่แม่เดินอย่างไรก็เดินตามแม่ไม่ได้ไม่ได้ทำตามที่แม่พูดฉันใดสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเราปฏิบัติ คือให้เราอยู่กันแบบเรียบง่ายสัมรัสเรียบง่ายในเรื่องของปัจจัยสคือให้มีความมาักน้อยสันโดษในปัจจัยสเพราะเป็นวิธีที่เลี้ยงดูร่างกายแบบสะดวกสบายที่สุดนั่นเองไม่ต้องเสียเวลามากเพราะเราต้องการเอาเวลามาเลี้ยงดูจิตใจของเราที่จำเป็นจะต้อง ใช้เวลามากกว่าการเลี้ยงดูร่างกายหลายสิบเท่าด้วยกันฉะนั้นเราต้องพยายามลดภาระในเรื่องของการเลี้ยงดูร่างกายให้มันลงเหลือน้อยที่สุดเนี่ยว่ามักน้อยหรือให้มันมีตามมีตามเกิดได้เท่าไหร่มีเท่าไหร่ก็ให้ยินดีไปกับมันอย่าไปมากๆอย่าไปไม่พอ ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นบินทะบาทถึงเม้จะได้น้อยกว่าที่ร่างกายต้องการก็ให้ยินดีพอใจกับเท่าที่ได้มาเพราะบางวันอาจจะได้มากบางวันอาจจะได้น้อยถ้าตราบใดมันไม่ได้ทำให้ร่างกายตายก็ก็ไม่ต้องไปกังวลกับมันถ้ามันขาดมากจนถึงอาจจะทำให้ตายก็อาจจะต้องขวนขวายหาวิธีเพิ่มขึ้นมา แต่ถ้าหาไม่ได้จริงๆก็ไม่ต้องไปกังวลกับความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือความตายของร่างกายเพราะว่าไม่ว่าไม่ว่าจะทำอย่างไรไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยของมันอยู่ดีมันก็จะต้องตายอยู่ดีแล้วเราถ้าเราต้องการที่จ ะ, อะสอนจิตใจให้มีความสุข สอนจิตใจให้มีความทุกข์เราก็ต้องสอนจิตใจให้รู้จักปล่อยวางร่างกายเพราะว่าร่างกายนั้นไม่ว่าเราจะเลี้ยงดูมันดีขนาดไหนก็ตามในที่สุดมันก็หนีพ้นไม่หนีไม่พ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยหนีไม่พ้นความตายอยู่ดีนั้นทางที่ดีควรจะมาใช้ความเจ็บไข้ได้ป่วยใช้ความตายนี้ มาเป็นเครื่องสอนใจดีกว่าเป็นคติเตือนใจสอนใจให้ใจเกิดมีปัญญาขึ้นมาเพื่อสอนให้ใจไม่ให้ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ให้ทุกข์กับความตายของร่างกายซึ่งใจนี้ถ้ามีความรู้ทางธรรมนี้สามารถจะทำได้ สามารถที่จะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายและจะไม่เจ็บไข้ไม่เดือดร้อนกับความตายของร่างกายจะรู้สึกเฉยๆกับความเป็นความตายของร่างกายถ้ามีความรู้ทางธรรมมาสอนใจแล้วเมื่อมีความรู้แล้วก็ต้องมาพิสูจน์ว่ามีความรู้ที่มีกำลังพอที่จะมารักษาใจ ไม่ให้ทุกข์ตับความเป็นความตายของร่างกายหรือไม่ดังนั้นถ้าเกิดมีเหตุการณ์ทำให้ร่างกายต้องทุกข์ยากลำบากจากการอดอยากขาดแคลนทางปัจจัยสี่ <c oughs> ก็จะได้เป็นข้อสอบทดสอบจิตใจภายในตัวว่าได้วิชาความรู้ที่พร้อมที่จะ รักษาปกป้องใจไม่ให้ไปทุกข์กับความทุกข์ยากลำบากของร่างกายได้หรือไม่นั้นการอดอยากขาดแคลนทางร่างกายบางช่วงบางเวลาหรือความใกล้เป็นไข้าตายบางเวลานี้กับเป็นคุณประโยชน์กับผู้ที่แสวงหาความสุขทางจิตใจการหลุดพ้นจากความทุกข์ทางจิตใจจำเป็นจะต้องมี ขอทดสอบต่างๆเพื่อจะได้พิสูจน์ให้รู้กับใจของตนเองว่าได้หลุดพ้นจากความทุกข์จากอุปสรรคความทุกข์ยากต่างๆเหล่านี้แล้วไม่ทุกข์ยากไม่เดือดร้อนกับความแก่กับความเจ็บไข้ได้ป่วยกับความตายถ้าพยายามอยู่แบบรู้ราอยู่แบบสุขสบายทางร่างกาย ใจก็จะไม่รู้ว่าใจจะสามารถปล่อยวางเวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ปล่วยเวลาที่ร่างกายทุกข์ยากลําบากเดือดร้อนได้หรือไม่ถ้าปล่อยไม่ได้ความทุกข์ทางใจนี้มันจะรุนแรงยิ่งกว่าความทุกข์ทางร่างกายความทุกข์ทางร่างกายกลายเป็นเหมือนตัวจุดชนวนให้เกิดความทุกข์ทางใจขึ้นมา อีกชั้นหนึ่งแต่ผู้ที่มีธรรมะผู้ได้ได้ศึกษาวิชาความรู้ทางธรรมได้ได้ฝึกฝนอบรมด้วยการปฏิบัติเวลาเกิดความทุกข์ยากลำบากทางใจนี้จะไม่ไปจุดชนวนให้เกิดความทุกข์ทางใจเลยใจจะไม่มีความทุกข์กับความทุกข์ยากลำบากต่างๆของร่างกายเมื่อว่าจะทุกข์ยากเพราะขาดแคลนทางด้านปัจจัยสี่ หรือทุกข์ยากเพราะโรคภัยไข้เจ็บหรือความชราภาพต่างๆหรือความตายของร่างกายมันก็จะไม่ทำให้จิตใจต้องวุ่นวายแต่อย่างใดนี่แหละทำไมพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้ชาวพุทธเราอยู่แบบสมถะเรียบง่ายเพราะเป็นวิธีที่จะทำให้เรานี้ อ, อยู่อย่าง สงบอยู่อย่างสุขทางด้านจิตใจไม่ต้องวุ่นวายไปดิ้นรนหาอของแพงๆของหรูหรามามาใช้กันให้เหนื่อยยากไปเปล่าๆเพราะความสุขที่ได้จากการได้สิ่งของต่างๆมานั้นมันเป็นความสุขปลอมมันเป็นความสุขชั่วขณะที่เราได้มาเท่านั้นเองตอนที่เราได้อยากได้ของที่เราอยากได้ อย oh, เราจะมีความรู้สึกมีความสุขนะแต่พอได้มาแล้วไม่กี่วันมันก็หายไปละเดีวจะได้มาอีกทีก็เวลาเอามาใช้มันแต่เวลาไม่ได้ใช้มันความสุขที่ได้มันก็หายไปความทุกข์อย่างอื่นก็สามารถเข้ามาในใจได้นะงั้นสู้เอามาหาความรู้ทางธรรมกันดีกว่า แล้วก็มาทดสอบว่าความรู้ทางธรรมนี้เราสามารถนำเอามาใช้ประโยชน์ได้หรื อ, รอไม่ถ้าเราเอามาพิสูจน์เอามาใช้แล้วเราสามารถใช้ได้เราจะไม่เดือดร้อนกับความทุกข์ยากลาบากทางร่างกายเลยจะไม่รู้สึกเดือดร้อนถ้าไม่ได้ใช้ของฟุ่มเฟือยของหรูหรา ของมีราคาต่างๆบางคนพอได้ใช้ของของหรูหราของฟุ่มเฟือยแล้วเวลาที่ไม่ได้ใช้นี้จะรู้สึกทุกข์มากเคยใช้ของแพงๆเคยมีของประดับราคาแพงๆไว้สวมใส่พอเกิดมีความจำเป็นที่จะต้องเอาไปขายเพราะเงินทองไม่พอใช้ ให้อยู่แบบให้ใช้ของแบบธรรมดานี่จะรู้สึกไม่มีความสุขเสียแล้วนี่แหละอยากไปหลงไหลกับของทางวัตถุของทางร่างกายให้ใช้เหตุผลในการใช้สอยวัตถุไว้มาเอามาเพื่อใช้เลี้ยงดูร่างกายไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ให้ ทุกยากลำบากก็พอแล้วเพื่อที่จะได้เอาเวลามาศึกษาความรู้ทางธรรมจะดีกว่าเพื่อที่จะได้เอาความรู้ทางธรรมนี้มารักษาใจให้ใจอยู่อย่างน่มเย็นเป็นสุขแม้ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆเกิดขึ้นมาทางร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของตนเองหรือร่างกายของผู้อื่นก็ตามเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้จะไม่มากระทบกระเทือนใจถ้าใจมีความรู้ทางธรรมมาคอยปกป้องรักษาใจจะรู้สึกเฉยๆกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับร่างกายของตนเองหรือเกิดขึ้นกับร่างกายของผู้อื่นผู้ที่เราเกี่ยวข้องด้วยผู้ที่เรามีความผูกพันผู้ที่เรามีความรักความเคารพเวลาเขาเป็นอะไรไปเราจะรู้สึกเฉยเฉยเพราะเราจะเราจะเราจะรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เราก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดี จะไปห้ามไม่ให้มิให้เขาทุกข์ยากเดือดร้อนทางร่างกายก็ไม่ได้เพราะมันเป็นธรรมชาติของร่างกายของทุกๆคนที่ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเจอกับความแก่ความเจ็บความตายด้วยกันทั้งนั้นจะไปเศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้ก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงความจริงอันนี้ไม่ได้ไปห้ามความแก่ความเจ็บความตายไม่ให้เกิดขึ้น มันเป็นธรรมชาติของร่างกายที่จะต้องเป็นไปตามเวลาของมั น, มนเวลาแก่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาตายของร่างกายมันมีติดมาอยู่กับทุกร่างกายไม่ว่าจะเป็นร่างกายของไข่ก็ตามถ้าจิตใจไม่มีความรู้ทางธรรมะนี่จิตใจจะวุ่นวายไปกับความเป็นความไป ความเป็นความตายของร่างกายแต่ถ้ามีความรู้ทางธรรมแล้วจิตใจจะมีธรรมะคอยปกป้องรักษาไม่ให้จิตใจต้องว้าวุ่นขุนมัวไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจนี่แหละคือสิ่งที่พวกเราควรที่จะให้เวลากันคือให้เวลามาสร้างธรรมะให้กับจิตใจของพวกเรา ถ้าจิตใจของพวกเราตอนนี้อย่างวุ่นวายใจไปกับเหตุการณ์ต่างๆไปกับเรื่องราวต่างๆของทางร่างกายไม่ว่าจะเป็นของเราหรือของผู้อื่นแสดงว่าพวกเราไม่มีความรู้ทางธรรมกันเลยหรือมีไม่มากพอที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจต่างๆขึ้นมาได้ แลเรื่องราวขณะที่เราได้สัมผัสตอนนี้มันยังอาจจะไม่รุนแรงเท่ากับเรื่องราวที่มันจะเกิดขึ้นกับร่างกายของเราร่างกายของเินเกิดขึ้นถึงแม้จะกระทบกระเทือนใจเรามากน้อยเพียงไรงก็ตามมันจะไม่รุนแรงเท่ากับเวลาที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายของเราเวลาร่างกายของเรามีอะไรเป็นไปเวลานั้นความทุกข์ต่างๆมันจะ โหมเข้ามาเหมือนกับพายุเลยถ้าเราไม่มีที่มุงที่บังที่หลบพายุเนี่ยเราก็จะถูกภาวะถูกพายุพัดทำลายอย่างทุกทรมานเป็นอย่างมากนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะศึกษาทำความเข้าใจว่าเรามี สองส่วนของชีวิตของเราที่เราจะต้องเลี้ยงดูรักษานั่งกายเราก็ต้องเลี้ยงดูรักษาทั้งของเราและของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเราด้วยถ้าเราพอที่จะช่วยเหลือเขาได้ถ้าเขาช่วยเหลือตัวเขาเองไม่ได้เราก็ควรที่จะช่วยเหลือเขาแต่มันเป็นงานส่วนย่อยเมื่อเปรียบเทียบ ก, บกับการเลี้ยงดูรักษาจิตใจของเรา และสอนผู้อื่นให้เลี้ยงดูจิตใจของเขาถ้าทำได้ถ้าทำไม่ได้ก็สอนเพ่งจิตใจของเราไปก่อนเลี้ยงดูรักษาจิตใจของเราให้สงบให้ไม่วุ่นวายไปกับความเป็นความตายความทุกข์ยากลำบากต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายน่วิธีที่จะทำให้เรามีเวลามา ศึกษาธรรมะก็คือเราอย่าเสียเวลามากเกินไปต่อการเลี้ยงดูรักษาร่างกายของเราเอาแบบพื้นฐานก็พอแทนที่จะเอาแบบหรูหราเอาแบบราคาแพงๆที่จะต้องเสียเวลามากเพราะจะต้องเสียเวลากับการไปหาเงินหาทองมาซื้อของหรูหราซื้อของแพงๆต่างๆ เราก็เอาของแบบมากน้อยสันโดษดีกว่าของยันไหนถูกที่สุดเอามานันยัเอาเอาของนั้นถ้ามันำํำทำหน้าที่ได้เหมือนกันอาหารราคาห้าสิบบาทกับอาหารราคาห้าร้อยบาทถ้ามันทำให้ร่างกายอิ่มดับความหิวได้เหมือนกันก็เอาราคาห้าสิบบาทนี่แหละเรื่องอะไรต้องไปเสียห้าร้อยบาท ถ้ากินห้าสิบบาทกินได้ต้องสิบวันสิบมือ้อกินห้าร้อยบาทกินได้แค่มื้อเดียวแล้วอีกเก้ามื้อจะเอาเงินที่ไหนมากินถ้าไม่มีถ้ามีเงินแค่ห้าร้อยบาทเนี่ยให้คิดแบบนี้เราจะได้ไม่จงเราจะประหยัดรายจ่ายได้เยอะเราจะได้ไม่ต้องดิน้นรนขนขวายหาเงินหาทองมาเครียดกับการหาเงินหาทองเงินทองมันหาง่ายที่ไหนล่ะ การวิธีหาเงินหาทองนี่มันยากลำบากไปทํางานก็ต้องไปเครียดกับการงานไปเครียดกับเจ้านายดีไม่ดีก็ถูกเขาดูถูกดูแคลนด่าเราว่าเราเราเมื่อเป็นลูกน้องเขาก็บางทีก็ต้องอดทนต้องทําใจบางทีเขาก็โกรธเราโมโหเราเขาก็ด่าเราว่าเราก็าไม่แขร์ไม่อยากจะทําก็ออกไป ออกไปก็ไม่มีเงินใช้มันก็เลยต้องยอมทนกับการที่จะต้องถูกเขาว่ากก่าดูด่าว่ากก่าหรือดูถูกดูแคลนอะไรต่างๆเพราะความอยากได้ของได้เงินมาซื้อของเยอะๆซื้อของดีๆซื้อของแพงๆมาใช้นั่นเองแต่ถ้าเราใช้ของถูกๆใช้ของแบบมากน้อยสันโดษ เราอาจจะไม่ต้องไปทำงานกับเขาก็ได้เราอาจจะทำงานของเราอิสระของเราก็ได้ขายข้าวขายของอะไรบางอย่างซื้อของมาแล้วก็เอาไปขายมันก็ได้กำไรนะไม่ไม่ต้องไปเป็นลูกจ้างแล้วไม่ต้องทำมากด้วยทำพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ก็พอจะได้มีเวลามาศึกษาวิชาความรู้ทางธรรม เพื่อที่จะได้สร้างความสุขทางใจและสร้างภูมิคุ้มกันความทุกข์ทางใจไม่ให้ความทุกข์ทางใจปรากฏขึ้นมาเวลามีเหตุการณ์ที่ทุกข์ยากลาบากเกิดขึ้นกับทางร่างกายเช่นเวลาร่างกายแก่เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาร่างกายจะตายหรือเวลาที่ตกทุกข์ได้ยาก เงินทองไม่พอใช้จะไม่เดือดร้อนถ้ามีภูมิคุ้มกันความทุกข์ทางใจก็ปล่อยมันทุกข์ยากลำบากไปอย่างมากมันก็แค่ตายพอตายแล้วมันก็จบมีมากมีน้อยมันถึงเวลาตายมันก็ตายเหมือนกันแต่ถ้ามีมากแล้วไม่มีเวลามาศึกษาทางธรรม เวลาเกิดเจอปัญหาทางร่างกายนี้จะไม่มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจจิตใจจะทุกข์ทรมานมากแต่ผู้ที่เอาเวลามาศึกษาทางธรรมมาเอาเอาธรรมะมาปกป้องรักษาใจโดยยอมอยู่แบบสามถคเรียบง่ายอยู่แบบตามมีตามเกิดเรมอยู่ตาม อยู่เท่าที่จำเป็นมีเท่าที่จำเป็นก็จะได้มีเวลามาศึกษาธรรมเพื่อที่จะได้สร้างความสุขทางใจและสร้างภูมิคุ้มกันความทุกข์ทางใจไม่ให้เกิดขึ้นเวลาร่างกายทุกข์ยากเดือดร้อนอย่างไรความสุขทางใจนี้ไม่ถูกกระเทือนไม่ถูกทาลายไปความสุขทางใจนี้จะมารักษาใจให้มีความสุข ทั้งการความทุกข์ยากลําบากของร่างกายใจไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนร่างกายเดือดร้อนแต่ใจไม่ทุกข์ใจสบายใจของพระพุทธเจ้าใจของพระหลานท่านเป็นอย่างนั้นเวลาร่างกายท่านเป็นอะไรใจท่านไม่เดือดร้อนอยันพระพุทธเจ้าตอนใกล้จะ น, นิพพานท่านเดินทางระหว่างทางท่านก็นังกายก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า ก็บอกให้อานอน์ช่วยปูผ้าให้ท่านนอนพักเถะหน่อยอันนี้เป็นความทุกข์ยากเดือดร้อนทางร่างกายซึ่งเป็นเหมือนกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีเป็นคนยากจนแต่ใจของพระพุทธเจ้าไม่เดือดร้อนกับความทุกข์ยากของร่างกายใจของพระพุทธเจ้าเป็นบรลมังสุขขังเป็นบาลมมาสุขตั้งแต่วันที่ได้สำเร็จการปฏิบัติ คือสร้างภูมิคุ้มกันเรื่องของความทุกข์ทางใจนี้ได้สำเร็จคือวันที่ทรงตัดสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าสำเร็จการศึกษาทางด้านจิตใจสามารถสร้างความสุขแบบปรมังสุขขังให้กับจิตใจและสร้างภูมิคุ้มกันความทุกข์ต่างๆไม่ให้เข้ามาภายในจิตใจของพระพุทธเจ้าได้อีกต่อไป เห็นไหมว่าร่างกายจะทุกข์อย่างไรจะเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไรเวลาตายในี่ใจของพระพุทธเจ้านี้จะเป็นปรมังสุขขังอยู่ตลอดเวลานี่แหละคือสิ่งที่พวกเราควรที่จะเรียนรู้กันเรียนรู้เรื่องของการดูแลรักษาทรัพย์สมบัติของเราสองชิ้นคือร่างกายและจิตใจ ว่าเราควรที่จะให้น้ำหนักไปในทางไหนกันทางร่างกายก็ให้เท่าที่พอเพียงต่อความอยู่รอดก็พอดำรงชีพได้ก็พอไม่จำเป็นจะต้องเป็นปัจจัยสี่ที่หรูหรามีราคาแพงๆเห็นคนบางคนถ่ายรูปบ้านมาโอ้ยบ้านใหญ่โตมาโหลาน ท, า ท, าทั้งๆที่ยังไม่ได้เป็นของตนนะ แต่พอเห็นแล้วก็อยากได้โดยที่ไม่คิดว่าจะเอาไปทําไมบ้านต้องใหญ่โตมีหลายสิบห้องด้วยกันแล้วไปนอนทั้งสิบห้องนั้นได้เปล่าเวลานอนมันก็นอนอยู่ห้องเดียวแล้วอีกห้องอีกห้องต่างๆเอาไว้ทําอะไรก็เอาไว้ให้ตุ๊กแกให้จิ้งจกให้หนูมันอยู่ <c oughs> หรือไม่ต้องคอยมาคอยจับหนูจะคอยจับตุ๊กแก คอยต้องมาคอยทำความสะอาดอยากย่งอยากย่ายอะไรต่างๆมันก็เข้ามาสายอยู่นะไม่คิดกันไงเพียงแต่เห็นภาพเห็นความสวยงามของคาราาแล้วก็คิดว่าโอ้ยถ้าเราได้บ้านอย่างนี้อยู่แล้วจะมีความสุขมากกว่าได้กระตอบเล็กๆอยู่ความจริงความสุขทางร่างกายมันเท่ากันความสุขทางใจมันก็หลอกเราเป็นความสุขชั่วขณะที่เราได้มันมาใหม่ๆฮะ พอได้บ้านใหญ่โตมาใหม่ๆโอ้ยดีอกดีใจได้กระหรันไม่นานความทุกข์เข้ามาไหนจะต้องดูแลมนันสิจะทำเองก็ไม่ไหวก็ต้องไปจ้างคนเข้ามาช่วยทําให้ก็ต้องเสียเงินอีกเลยเสียเงินเสียทองไปจ้างอคนรับใช้มาช่วยกวาดถูคอยเก็บคอยกวาดคอยรักษาอะไรต่างๆให้ อันนี้แหละไม่คิดกันคิดว่าพอได้ของอะไรที่ใหญ่ๆโตๆรู้หราสวยงามแล้วโอยจะมีความสุขมากมีความสุขแค่ประเดี๋ยวประดาเท่านั้นเองแล้วความภาระความทุกข์ที่เกิดจากการมีภาระก็ตามมาแล้วสินะนจะต้องคอยดูแลรักษาแล้วเดี๋ยวก็ต้องคอยมาซ่อมมาอะไรใช้ไปสักพักเดี๋ยวสีมันก็เหี่ยวละ เดี๋ยวดูไม่สวยแล้วก็ต้องจ้างเขามาทาสีใหม่เครื่องประดับในบ้านเดี๋ยวดูบ่อยๆเขาก็เบื่อแล้วต้องมาเปลี่ยนเครื่องประดับใหม่เครื่องตกแต่งภายในบ้านใหม่เองมันมันเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่ไม่เคยให้ความอิ่มความพอ เป็นความสุขที่จะทำให้เราต้องคอยเด่นหนอนหาอะไรแปลกๆมาใหม่ๆ ม, มาหลอกใจเราอยู่เรื่อยๆไปเรื่อยๆจนวันตายงั้นอย่าให้ความหลงมันมาหลอกใจเราเลยเอาเหตุผลเอาความจริงมาสอนใจดีกว่าว่าที่เรามีปัจจัยสีนี้มีเพื่ออะไรมีเพื่อเลี้ยงดูร่างกายมันไม่ได้เอามาให้มันมาให้ความสุขกับใจ แล้วความสุขที่เราได้รับจากการได้ของหรูหรูอลาลานี่เป็นความสุขปลอมแล้วมันมีความทุกซ่อนเข้ามาด้วยความทุกคือภาระที่จะต้องคอยดูแลรักษาของหรูหราแพงแพงต่างๆนี่เองสู้ใช้ของถูกเนี่ยนอนหลับสบาย ใครจะมาขโมยข้าวมาของอะไรมันก็ไม่มีอะไรให้มันขโมยถ้ามีของเยอะนี่เดี๋ยวต้องเสียเงินไปจ้างอรอปภอกีกเสียเงินไปติดเครื่องระบบป้องกันภัยต่างๆเนี่ยติดกล้องวงจรปิดอะไรมีประตูนิรภัยอะไรต่างๆอีกดีไม่ดีเวลาจะเปิดมันอาจจะลืมลืมรหัสก็อาจจะออกจากบ้านไปไม่ได้ถูกไหมทุกนี้แล้ว ประตูเนลลภัยขังตัวเองไว้อยู่ในบ้านนี่นี่เป็นการไปสร้างปัญหาให้วุ่นให้ใจวุ่นวายไปเปล่าๆนีให้เราอยู่แบบเรียบง่ายในเรื่องปัจจัยสี่นี่คือหน้าที่ของการเลี้ยงดูร่างกาย ให้มีปัจจัยสี่ให้มันอยู่เป็นปกติไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่อดอยาขาดแคลนไม่มีภัยที่จะมากระทบกับร่างกายเช่นดินฟ้าอากาศหรือภัยจากมาแมลงสัตว์กัดต่อยเพราะเรามีเสื้อผ้าไว้สวมใส่มีบ้านไม่หลบแดดหลบฝนมีเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อเราจะเอาเวลามาสร้างความสุขทางใจสร้างภูมิคุ้มคุ้มพัน คุ้มกันทางใจกันจะดีกว่าเนี่ยทำตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าทําตามแบบฉบับของพระพุทธเจ้าเนีพระพุทธเจ้าอยู่เลื่องดูร่างกายแบบเรียบง่ายจริงๆปัจจัยสี่ของร่างกายคืออาหารบิณฑบาตวันละหนึ่งครั้งฉันมือเดียวฉันในบาศจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายกับจานชาม ถ้วยเทยช้อนเชิญอะไรต่างๆบาทใบเดียวพอใช้มือเนี่ยเป็นช้อนเป็นซ่อมหยิบสะดวกรวดเร็วกว่าการใช้ซ่อมหยิบอาหารซะอีกกินด้วยมือนีมน่มันมันมันสะดวกมันง่ายแล้วก็ไม่ต้องมาล้างช่วยล้างชามล้างช้อนล้างซ่อมล้างมีดอะไรอาให้มันน้อยที่สุดเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนบาทใบเดียวพอแล้วสําหรับเรื่องการ กินอาหารอาหารได้มามากน้อยก็ใส่มันรวมไปในบาทนั่นพอเดี๋ยวมันก็ต้องไปรวมกันในท้องอยู่ดีไปกลัวมันทําไมว่ามันจะมาแปะเปื้อนกันอาหารขาวจะมาเปื้อนอาหารหวานเปื่อนก็เปื่อนเถอะเดี๋ยวมันก็ไปรวมกันในท้องอยู่ดีมันจะเปื้อนแค่นั้นมันจะตายให้มันรู้ไปเลยกินแบบเนี่ยเรียบง่ายกินเสร็จล้างบาทแค่สองนาทีก็เสร็จแล้ว ถ้ากินแบบมีจานมีชามีถ้วยมีซ่อมมีช้อนล้างชานไปครึ่งชั่วโมงกว่าจะเสร็จเนี่ยนี่คือวิธีอยู่แบบเรียบง่ายบินทบาดชันในบาดอยู่ตามโคนไม้ทําเพิงทําอะไรไปตามมีตามเกิดหรือไม่ฉชนั้นก็ไปอยู่ในถ้ำอยู่ในเงื่อมผาอยู่ตามเรือนร่างต่างๆไม่ต้องมีภาระที่จะต้องมาคอยดูแลรักษาบ้านเรือน แล้วก็ยาที่จีวรเครื่องนุ่งห่มก็ไปเก็บผ้าที่ห่อศพนี่แหละที่เขาทิท้งไว้ในป่าช้าเวลาห่อศพศพตายแล้วแหง้งเหลือแต่โครงกระดูกแล้วผ้าก็ยังใช้ได้อยู่นักบวชสมัยพระพุทธเจ้าก็ไปเก็บผ้าเหล่านี้เรียกว่าผ้าบางสกุลนะผ้าบางสกุลก็คือผ้าห่อศพหรือผ้าป่าช้า แต่เรามาตัดคำว่าช้าออกไปเรียกว่าผ้าป่าคำว่าผ้าป่าก็คือผ้าหอ่อศพสมัยนี้เราก็ยังทำผ้าบางสกุลอยู่แต่มันไม่ได้ห่อศพแล้วมันเป็นผ้าทาสำเร็จห่อมาจากร้านห่อด้วยถุงพัสติกไม่ได้หอ่อศพไปตั้งไว้ที่หน้าหน้าลงศพให้พระไปชักผ้ากันอันนี้เป็นเพียงแต่เหมือนกับย้อนอดีต แต่ย้อนแบบไม่จริงความจริงต้องเอาผ้านี้ไปห่อศพก่อนเสร็จแล้วค่อยเอามาวางไว้ให้ผ้าชักพระพระชักถึงจะเรียกว่าเป็นผ้าบางสกุลต้องมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองติดกับผ้าเหล่านั้นมาถึงจะเรียกว่าเป็นผ้าป่าจริงผ้าบางสกุลนั่นแหละคือผ้าที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเก็บผ้าห่อศพที่ ที่ที่เขาทิ้งไว้ในป่าชา้ามาซักมาย้อมมาต้มมันเอาต้มเพื่อเอาพวกคราบของเลือดหนองอะไรน้ำเลือดน้ำหนองน้าเหลืองอะไรต่างๆที่ติดอยู่กับผ้าให้ออกไปออกบ้างไม่ออกบ้างก็ไม่เป็นไรแล้วก็มาใช้แก่นไม้ย้อมเป็นสีผ้ากาสาวพัดขึ้นมาแล้วก็มาตัดเย็บเป็นจีวรเครื่องนุ่งห่มของพระไป นี่ะเป็นวิธีง่ายๆจะได้ไม่เสียเวลามากเป้าหมายของการเลี้ยงดูร่างกายนี้คือให้มันใช้เวลาให้น้อยที่สุดเพื่อที่จะได้มีเวลาเยอะเพื่อที่จะได้มาศึกษาความรู้ทางธรรมเพื่อที่จะได้สร้างภูมิคุ้มกันความทุกข์ต่างๆสร้างความสุขให้กับใจเพราะถ้าได้ความสุขทางใจไม่มีความทุกข์แล้วโอ้ยมันจะแสนสบายมี ไม่มีสมบัติทางร่างกายไม่เป็นปัญหาร่างกายเป็นอะไรก็ไม่เป็นปัญหาเลยแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเราไปาไปเสียเวลากับการดูแลร่างกายหาสิ่งหรูหรหลาหลาของแพงแพงมาใช้กับร่างกายเราจะไม่มีเวลามาเรียนรู้วิธีสร้างความสุขทางใจวิธีป้องกันความทุกข์ทางใจ พอร่างกายเป็นอะไรของหรูหราเหล่านั้นมันช่วยเราไม่ได้เนาะมันมาป้องกันความทุกข์ทางใจไม่ได้มันสร้างความสุขให้กับใจไม่ได้ตอนนั้นเน่ยเราจะทุกข์มากเราจะทรมานใจมากดังนั้นขอให้พวกเราจงรู้จักแบ่งเวลาให้เหมาะสมกับการเลี้ยงดูร่างกายกับการเลี้ยงดูจิตใจ ถ้าเราปฏิบัติได้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนก็เรียกว่าเราได้บูชาคุณของพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติบูบชาการบูชานี้มีสองรูปแบบด้วยกันบูชาด้วยข้าวของเงินทองหรือเครื่องสักการะเรียกว่าอามิสบูชาและบูชาด้วยการปฏิบัติ ตามคําสั่งคําสอนพระพุทธเจ้าทรงเน้นว่าการบูชาที่แท้จริงต้องบูชาด้วยการปฏิบัติบูชาการบูชาด้วยอมิตรบูชาด้วยข้าวของเงินทองด้วยสิ่งสักการะต่างๆนี่เป็นการบูชาเป็นส่วนเล็กน้อยก็ยังไม่ได้เป็นการบูชาอย่างสมบูรณ์ถ้าอยากจะบูชาอย่างสมบูรณ์ขอให้บูชาด้วยการปฏิบัติบูชา คือปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนไม่ว่าจะเป็นของใค่ก็ตามของบิดามารดาของครูบาอาจารย์ตามสถาการศึกษาต่างๆหรือของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่อย่างเต็มร้อยเราจะได้ไหวครูอย่างแท้จริงตามการสมมุติของเวลาว่าวันนี้เป็นวันไหวครู ดังนั้นเรามาวหวครูกันมาบูชาคุณของครูบาอาจารย์กันด้วยการาให้ข้าวให้ของต่างๆกับครูบาอาจารย์ถ้าเราทําได้มีข้าวของเงินทองก็แบ่งให้ครูบาอาจารย์ใช้บ้างให้พ่อให้แม่ใช้บ้างแล้วก็ปฏิบัติตามคําสอนกับพระสงฆ์องค์เจ้ากับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้า แล้วเราก็จะได้ความเป็นสิริมงคลได้ความสุขและความเจริญทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจนี่คือเรื่องของวันไหว้ครูที่เอามาฝากท่านไว้ในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้ผรอยะถาวาลิวาหาปุราปาริปุเรนติสากลัง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 ยันโทปันาราโสยธามณีโชติอราโสยธาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขิตาโยโกภวะ อพิวาทนสีิตสานิจังวุธาปจายโนจตารโรธรมมวะทาทันติอายุวันโนสุขังภาลางังช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอะไร ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ช่วงเดียวเพราะหลังจากเลิกแล้วจะของดถามถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่ค่ะวันนี้ทาง Facebook 425 YouTube 345วิทยุออนไลน์26รับฟังบนเขา71รวมทั้งสิ้น867ท่านค่ะ ถ้ามีคำถามก็เชิญถามได้เลยคำถามจากผู้รับฟังบนเขาค่ะภาวนามมยะปัญญาหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่ามีความรู้เรื่องไตลักษ์เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องอริยาาสัจสีควบคู่ไปกับการมีอัปปนาสมาธิมีสองอย่าง มีทั้งปัญญามีทั้งสมาธิถึงจะเรียกเป็นภาวนามยปัญญาถ้าไม่มีสมาธิก็เป็นจินตามยปัญญามีมีแต่ความรู้ความคิดแต่ไม่มีสมาธิที่จะเอาความรู้ความคิดนั้นไปดับความทุกข์ได้คำถามต่อไปจากคุณกสินาค่ะโยมมีคำถามว่าคนชอบฝากปัจจัยโยมไปทาบุญ โยมก็ไม่ขัดศรัทธารับไปเสมอคำถามคือหักบังเอิญมีเหตุสุดวิสัยเช่นโยมเป็นลมตายก่อนปัจจัยผู้ฝากจะไปถึงกองบุญแล้วจะบาปแล้วบาปจะติดไปกับโยมไหมเจ้าคะ่ะไม่ติดหรอกเราไม่มีเจตนาะและบุญก็ไม่สูญไปคนทำบุญเขาก็ได้บุญเพียงแต่ประโยชน์จากเงินก้านนั้นอาจจะยังไปไม่ถึงผู้รับเท่านั้นเอง คำถามต่อไปจากคุณสุรศักดิ์ค่ะยมขอถามคำถามหลวงพ่อว่าตอนนี้ผมทำงานที่กรทมใจเริ่มห่วงคุณพ่ออายุแปดสิบแต่อีกใจก็อยากทำงานกรทมเพราะคุ้นกับสถานที่เพื่อนร่วมทำงานแต่อีกใจก็กลัวมีเวลาตอบแทนคุณพ่อคุณแม่น้อยทั้งที่ทำทั้งที่ทางานก็จะขอย้ายผมเลยสองจิตสองใจถ้าย้ายก็ต้องทาเริ่มใหม่ทุกอย่าง ได้อยู่ใกล้คุณพ่อคุณแม่ผมได้ขอคําแนะนําจากพระอาจารย์หน่อยครับถ้าเราเลี้ยงดูพ่อแม่ได้โดยที่ไม่ต้องไปเอง ก, ก็ก็ทำแบบนั้นก็ได้เช่นส่งเงินไปจ้างคนให้เลี้ยงดูแทนแล้วเราก็ไปเยี่ยมท่านไปติดต่อคุยกันทางโทรศัพท์ไปก็ได้ไม่จําเป็นว่าจะต้องอยู่ใกล้กับท่านถ้าเราสามารถหาตัวแทนทําหน้าที่แทนเราได้ ก็ได้หรือถ้าเรายังอยากจะอยู่ใกล้ท่านเราก็ย้ายไปไม่ต้องไปเสียดายเรื่องงานการอะไรมากมายเพราะมันก็เป็นเพียงแต่เอามาใช้ประโยชน์ชั่วขณะที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นแต่บุญที่ได้จากการทดแทนพ่อแม่อาจจะไม่ได้เห็นเราก็ต้องชั่งน้ำหนักหรือว่า เราจะเอาประโยชน์ในโลกนี้หรือเอาเอาประโยชน์ในโลกหน้าด้วยประโยชน์ในโลกหน้าเราก็ต้องทำบุญการเลี้ยงดูพ่อแม่ก็เป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ที่เราถ้าทำได้เราก็ควรจะทำกันแต่ก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องไปอยู่ใกล้ชิดถึงจะได้ทำบุญถ้าอยู่ห่างไกลแล้วสามารถมีตัวแทนไปทำให้เราได้โดยเราเสียสละเงินทอง จะให้คนตัวแทนเขาดูแลก็ถือว่าเราก็ยังได้ทําบุญเยอะเห็นก็ต้องต้องเลือกเอาว่าเราชอบแบบไหนทําแบบไหนคําถามจากเด็กชายธ น, น์ค่ะวันนี้เป็นวันเกิดยายครับผมเลยพายายมาฟังธรรมแบบนี้ผมทําถูกไหมครับถูกแล้วล่ะเป็นการสนับสนุนให้คุณยายได้มีแสงสว่างแห่งธรรมเพื่อจะได้ใช้ ในการดำดวงวิญญาณของบุญยายที่จะต้องจากโลกนี้ไปไปสู่สุขติต่อไปคำถาม <c oughs> จากคุณสุรศักดิ์ค่ะหลวงพ่อครับโยมขอถามคำถามว่าผีเรือนควรทำบุญอย่างไรครับให้ญาติที่ล่วงลับไปแล้วได้รับผลบุญครับอ๋อก็ทำแบบปกตินี่แหละทบุญทาทานอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่เราชอบทำเสร็จเราก็มีบุญในใจเราก็อุทิศบุญไปได้ คำถามจากคุณนิยาค่ะถ้าเราโกรธพ่อกับแม่เราจะบาปไหมเจ้าคะถ้ายังไม่ถึงกับพูดหรือทำร้ายทางร่างกายยังไม่บาปแต่เป็นอกุศลเป็นความคิดที่ไม่ดีที่ต้องรีบจัดการอย่าให้มันเกิดขึ้นมาวิธีที่จะทำให้เราไม่คิดอกุศลต่อพ่อแม่ไม่โกรธพ่อแม่ต้องหมัน่นลำลึกถึงพักุของพ่อแม่อยู่เรื่อยๆนึกถึง ความทุกข์ยากลำบากที่พ่อแม่จะต้องทนเพื่อที่จะเลี้ยงดูให้เราอยู่มาได้จนถึงปัจจุบันนี้ดังนั้นไม่ว่าพ่อแม่จะพูดอะไรทำอะไรเราไม่ควรที่จะไปโกรธท่านเราควรจะยกท่านเหนือเหนือศรีรษะเราเหมือนกับเรายกพระสง์องค์เจ้าอยู่เหนือศรีรษะเราท่านจะพูดจะสอนอะไรเราเราก็ไม่ถือโทษกรดเคืองท่าน คำถามจากคุณดิศยาค่ะในกรณีที่เราถือศินแปดหรือตั้งใจจะกินมื้อเดียวแต่เราเกิดป่วยต้องกินยาหลังอาหารหลังอาหารเย็นควรจะแก้ปัญหาอย่างไรคะและกรณีที่พระอาพาธท่านทำอย่างไรคะถ้ามียาต้องฉันหลังอาหารเย็นค่ะก็กินก่อนอาหารเย็นเลยก็กินมันก่อนเที่ยงไปมันก็ไม่ต่างกันเลขกชั่วโมงนั้นก็กินเขาไปพร้อมกันเลยทีเดียวก็ได้ ถ้าไมันก็อย่าไปกินมันขาดมันไปมือนึงไปถ้าเราต้องเลือกระหว่างเราจะรักษาศีลหรือเราจะรักษาร่างกายถ้าเราต้องรักษาร่างกายเราก็งดเว้นการรักษาศีลไว้ชั่วคราวก่อนก็ได้ไม่ห้ามทางาศาสนาไม่ห้ามถ้าจำเป็นจะต้องรักษาร่างกายแลวไม่สามารถรักษาศีลได้ก็งดไว้ก่อนถ้าศีลนั้นไม่เป็นขั้นถึงกับการทาบาป เช่นการไม่กินอาหารการกินอาหารเย็นนี้ยังไม่ถือว่าเป็นบาปกรรมแต่อย่างใดเพียงแต่เป็นการปรามกิเลสเท่านั้นเองก็วันนั้นเราถ้าเรากินเพื่อเลี้ยงดูร่างกายไม่ได้กินเพื่อกิเลสก็ไม่เป็นปัญหาอะไรอยู่ดีศีลก็แปดนี้ที่ให้ไม่ให้กินอาหารเย็นเพราะไม่อยากจะให้เอาไปเลี้ยงกิเลสความอยากต่างๆแต่ถ้าเราไม่ได้กินด้วยความอยากกินเพราะมันเป็นยาเป็นส่วนประกอบของยาก็ถือว่ามันเป็นยาไปก็แล้วกัน แต่เราก็ยอมรับว่าเรากินอาหารเย็นจะไม่เป็นปัญหาถ้ามองจากหลักของการถือศีลข้อนี้แล้วมันก็เหมือนกับได้ถือศีลอยู่ดีถ้าเรากินเพื่อกินแบบเป็นยาไปคาถามต่อไปจากคุณนิยาค่ะถ้าเราจะถวายเงินกับพระถวายโดยงานโดยการนำเงินใส่ซองแล้วให้พระจะผิดไหมครับแบบไหนถึงจะถูกต้องเจ้าคะก็ต้องให้ แล้วแต่ว่าพระมีสองนิกายเยถ้าพระนิกายที่เรียกว่ามหานิกายท่านก็รับส่องได้ถ้าเป็นพระธรรมยุทธนี่ท่านต้องให้ลูกศิษย์เป็นคนรับแทนฝากให้กับลูกศิษย์ไว้แต่ท่าก็เป็นเงินที่ท่านเอาไปใช้ได้เพียงแต่ว่าท่านไม่สามารถที่จะพกพารับเงินทองติดตัวไปไหนมาไหนได้ ต้องฝากลูกสิทธ์ไว้เวลาเป็นไหนก็ต้องมีลูกสิทธ์ถือเงินตามไปด้วยเพื่อจ่ายค่ารถค่าลาค่ายค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆเอาไปเองไม่ได้ คำถามจากคุณต้นกล้าค่ะการปฏิบัติมรรคแทานศีลภาวนาเป็นการตอบแทนบุญคุณครูบาอาจารย์ที่ท่านพร่ำสอนและถ้าได้อริยผลด้วยท่านคงจะหายเหนื่อยยมเข้าใจถูกต้องไหมคะก็เหมือนกับครูบาอาจารย์ที่สอนลูกศิษย์ตามโรงเรียนต่างๆถ้าสอบตกครูบาอาจารย์ก็คงจะไม่หายเหนื่อยถ้าสอบผ่านครูบาอาจารย์ก็คงจะดีใจเออมันจะได้ช่วยตัวเองได้มันจะได้ปลอดภัย ใช่การปฏิบัติจนสำเร็จนี้ก็จะเป็นรางวัลให้กับครูบาอาจารย์ทำให้ครูบาอาจารย์ท่านหายเหน็ดหายเหนื่อยมีกำลังใจที่จะสอนผู้อื่นต่อไปแล้วตัวเราก็จะได้มาช่วยท่านสอนให้กับคนอื่นอีกด้วยช่วยกันเผยแพร่ธรรมะให้กว้างขวางขึ้นไปอีก คำถามต่อไปจะคุณนิยาค่ะสมมติว่าเราไปรับปากหรือให้สัจจะไว้แบบทั่วไปแล้วมีเหตุจำเป็นให้เราไม่สามารถทำที่ให้ไว้ได้จะผิดสัจจะใช่ไหมเจ้าคะและควรจะแก้ปัญหาอย่างนี้เพื่อไม่ให้เป็นการผิดสัจจะต่อไปอย่างไรค่ะก็ใส่คาว่าถ้าไปเลยถ้าเป็นไปได้ก็จบ <laughs> ถ้าเป็นไปได้จะทำอย่างมุ้นทำอย่างนี้ถ้าเป็นไปไม่ได้ก็ไม่ทำ ใส่คำว่าท่าไว้หน่อยถ้ามีเงินก็จะให้แต่ถ้าไม่มีเงินก็ให้ไม่ได้ก็ไม่ให้คําถามต่อไปจากคุณนิยาค่ะผู้ที่จะไปสวรรค์ชั้นสี่ต้องเป็นพระโสดาบันเป็นอย่างน้อยหรือเปล่าเจ้าคะอ๋อไม่ถ้าสวรรค์มีหกชั้นนี้ไม่ต้องเป็นพระอริยะก็ไปได้ขอรักษาศีลแล้วก็ทําบุญให้ถึงระดับ Uh, ชั้นที่สี่สวรรค์มีหกชั้นอยู่ที่ว่าทำมากทำน้อยเหมือนโรงแรมมีห้าดาวจ่ายมากจ่ายน้อยถ้าจ่ายน้อยก็อยู่ดาวต่ำดาวน้อยถ้าจ่ายมากก็อยู่ดาวดาวมากห้าดาวอยู่ที่อยู่ที่ค่าใช้จ่ายอันนี้ก็เหมือนกันบุญก็เหมือนกันทำบุญมากก็จะได้ความสุขมาก ก็จะได้สวรรค์ชั้นสูงทำบุญน้อยก็ได้สวรรค์ได้ความสุขน้อยก็ได้สวรรค์ชั้นต่ำคำถามต่อไปจะคุณสุรศักดิ์ค่ะหลวงพ่อครับผมอยากสวดมนต์ให้มีสมาธิต้องฝึกอย่างไรครับก็สวดประมาณสองสามชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยถึงจะได้ถ้าสวดแค่นกกระจอะกินน้ำมันไม่ได้หรอกสวดอิทีปิโสเท่ากับอายุของเราสาสาสามเท่าดู เนอายุเจ็ดสิบก็สวดมันไปสามสองร้อยสิบรอบอิติปีโสไปสองร้อยสิบรอบนับรองได้ว่าถ้าสวดจริงๆใจมันจะนิ่งจะเย็นจะสบายแล้วถ้าอยากจะให้มันสงบมากกว่า น, นั้นก็นั่งดูลมต่อไป ถามจากคุณยินค่ะถ้ายังต้องเกิดใหม่ในชาติหน้าต่อๆไปทําอย่างไรถึงจะมีสัมมาทิฏฐิรู้ผิดชอบชั่วดีฝักใฝ่ในบุญกุศลในทุกๆชาติที่ยังต้องเกิดครับก็พยายามหมันเข้าหาผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิเรียนแล้วก็พยายามจดจํามามาใช้กับชีวิตของตนมันก็จะติดไปกับนิสัยของเราะ แต่ถ้าไปอยู่กับพวกมิจฉาทิฏฐิก็จะไปเอานิสัยของมิจฉาทิฏฐิไปใช้เห็นต้องหลีกเรื่องพวกที่มีมิจฉาทิฏฐิก็เรียกว่าคนผ่านแลให้คร บ, บันฑดตที่มีสัมมาทิฏฐิคือพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงสากของพระพุทธเจ้า คำถามต่อไปจะคุณพามค่ะเคยปฏิบัติอยู่ในห้องคนเดียวประมาณหนึ่งอาทิตย์สามารถเข้าสมาธิระดับลึกได้ถ้าไปปฏิบัติที่วัดต้องทำครัวและมักมีคนพูดคุยด้วยพบว่าเข้าสมาธิได้ยากขึ้นสงบไม่เท่าเดิมแสดงว่าเรายังไม่มีเรายังมีสติไม่ดีควรฝึกอยู่ที่บ้านก่อนหรือเปล่าคะแต่รู้สึกว่าอยู่บ้านแค่สงบเฉยเยถ้าไปอยู่กับครูบาอาจารย์รู้สึกได้ความรู้มากกว่าคะ่ะควรทาอย่างไรดีคะ ก็อยู่ด้วยว่าเราต้องการอะไรถ้าเราต้องการความสงบอยู่ที่บ้านเราได้ความสงบก็อยู่ที่บ้านไปถ้าอยากจะได้ปัญญาก็ต้องไปอยู่กับครูบาอาจารย์ก็ไปเป็นขั้นขั้นแรกนี้เอาความสงบให้มันมั่นคงก่อนเข้าขเข้าหาความสงบได้ทุกเวลาทุกสถานที่ต่อไปก็ต้องไปหัดเข้าไปอยู่ที่อื่นแล้วลองดูซิว่าจะสงบได้หรือไม่ ถ้าได้แล้วต่อไปเราก็จะไปขั้นปัญญาต่อไปไปฟังธรรมจากครูบาอาจารย์แล้วก็เอามาใช้ปฏิบัติต่อไปคําำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะทำสมาธินานได้ยินเสียงนกร้องข้างหูแผ่เมตตาแล้วก็ไม่หายไปควรทำอย่างควรทาอย่างไรคะก็ปล่อยมันน้องไปมันไม่ใช่เรื่องของเราเนย ไปแผ่เมตตาทำไมแผ่เมตตาถ้าแผ่เมตตาก็ต้องให้มันอยู่สิแผ่เมตตาให้มันไปนี่ไม่ไล่มันได้ไงคนที่มีความเมตตาจะไปไล่คนที่เขามาหาเราได้ไงคนที่เขามาหาเราถ้าเรามีความเมตตาเราก็ต้องรอต้อนรับเขาใช่ไห เป็นยังไงสบายดีหรืออันนี้ไปแผ่เมตตาแบบไล่เมันไม่ได้แผ่แล้วมันแผ่ความความเกลียดความชังมันไม่ใช่แผ่เมตตาไม่ต้องไปแผ่มันไม่ใช่เรื่องของเรามันมาก็ปล่อยมันมาไปเหมือนเรานั่งเนี่ยมันจิ้งจบมันก็ดันก็คิดก๊อของมันไปก็ปล่อยมันร้องของมันไปเราก็อยู่ในความสงบของเราไปก็ต่างคนต่างอยู่ไปไม่เห็นมีปัญหาอะไรหมดแล้วเหรอคะช่างนี้ก็มาหมดค่ะ มีใครอยากจะถามไหมวันนี้ขนน้อยเหลือน้อยแล้วถ้าไม่มีจะปล่อยให้กลับบ้านน ะ, ะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิจิตรพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทิด